บุคคลผู้ประกอบธรรมที่ทําให้เป็นมุนีเหล่านี้เนี่ยนะก็มีอยู่หกจาพวกคืออาคารมุนีหนึ่งอนาคารมุนีเสขมุนีอาเสขามุนีปัจเจกามุนีมุนีมุนีนะนะก็มีมุนีหกนะนะอาคารมุนีเนี่ยเป็นฉนัยก็คือชนเหล่าใดเป็นผู้ครองเรือนมีบทคือนิพพานอันเห็นแล้วมีศาสนาคือไตริกขาอันรู้แจ้งแล้วชนเหล่านั้นชื่อว่าอาคารมุนี ว่าเป็นมุนีในเพศคารวาที่เห็นนิพพานอบรมไตรสิกขาเนี่ยนะส่วนอนาคารมุนีก็คือผู้ไม่มีเรือนเนี่ยนะว่าชนเหล่าใดออกบวชมีบทคือนิพพานอันเห็นแล้วมีศาสนาคือไตรสิกขาอันรู้แจ้งแล้วชนเหล่านั้นชื่อว่าอนาคารมุนีมุนีผู้ไม่มีเรือนส่วนพระเสขาเจ็ดจำพวกชื่อว่าเสขามุนีผ้ารหันทั้งหลายชื่อว่าอาเสขามุนี พระปัจเจกกับพระพุทธเจ้าชื่อว่าปัจเจกมุนีพระตะถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าชื่อว่ามุนีมุนีสมเจียงดังทีพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าบุคคลไม่เป็นมุนีด้วยความเป็นผู้นิ่งแต่เป็นผู้เปล่าไม่ใช่ผู้รู้ไม่ใช่ว่านั่งนิ่งๆโง่เขลาแล้วก็เรียกว่ามุนีไม่ใช่ ส่วนบุคคลใดเป็นบัณฑิตถือธรรมะอันประเสริฐละเว้นบาปทั้งหลายเหมือนคนที่ถือเครื่องช่างตั้งอยู่ฉะนั้นบุคคลนั้นชื่อว่าเป็นมุนีเรียกว่ามุนีโดยเหตุนั้นบุคคลใดย่อมรู้โลกทั้งสองบุคคลนั้นเรียกว่ามุนีโดยเหตุนั้นบุคคลใดรู้ธรรมะของอสัตว์บุรุษและธรรมะของสัตว์บุรุษในโลกทั้งปวงทั้งภายในและภายนอก เก้่วงธรรมะเป็นเครื่องค้องและตันหาดังว่าข่ายดำรงอยู่เป็นผู้อันเทวดาและมนุษย์บูชาแล้วบุคคล น, นั้นชื่อว่าเป็นมุนีเนี่ยนะพันคำว่ามุนีเนี่ยนะก็ไม่พึงทําความโกรธพึงข้ามพ้นความโลภอัลามกและความหวงแหนคือตรณีความว่ามุนีได้ข้ามข้ามขึ้นข้ามพ้นเก้าล่วงล่วงเลย เป็นไปล่วงซึ่งความโลภอลามกและความห่วงแหนฉะนั้นจึงชื่อว่ามุนีไม่พึงมีความโกรธพึงข้ามพ้นความโลภและก็อลามกเนี่ยนะมัชชริยะความห่วงแหนสรุปคาถ า, า, าที่กล่าวไปว่าบุคคลพึงเป็นผู้มีสัจจะสัจ จ, ส จ, จะสามนะคือวาจาสั์ยานสัต์และอริมัคคสั์ไม่ขนองกายวาจาและใจ ไม่มีมายาคือไม่ปกปิดความชั่วปราศจากคำสอเสียดคือพูดให้เขาร้าวรานกัน ม, มุนีคือผู้มีโมเนยธรรมทางกายวาจาใจานี่นะไม่พึงมีความโกรธพึงข้ามพ้นความโลภอลามกและความห่วงแหนคือตณีห้าอย่างตนีที่อยู่ตนีลาบตนีวันนะตนีธรรมะนี่นะคาถาต่อไปว่านรชนพึงปราบความหลับ ความเกียดคร้านความย่อท้อไม่พึงอยู่ด้วยความประมาทไม่พึงตั้งอยู่ในความดูหมิน่นพึงเป็นผู้มีใจน้อมไ ป, น, น, ไป น, นิพนันนนะ้เรียกว่าพึงปราบสมุทัยศัตร์แล้วก็จิตเนี่ยโอนไปหานิพานธ์เหมือนกันชื่อว่าความหลับเนี่ยหลับเป็นยังไงก็คือความที่กายเนี่ยเป็นไข้ความที่กายนีย่ไม่ควรแก่การงานอาการที่หยุดอาการที่พัก อาการท ah ah mm. ี่พักผ่อนในภายในความง่วง mm. ความหลับกิ p p กริายาที่งอกง่วงกิริยาที่หลับความเป็นผู้หลับเนี่ยเรียกว่าความหลับอ่ะแหละเพราะฉะนั้นพึงปราบความหลับอันนี้แล้วก็พึงปราบความเกลียดคร้านความเกลียดคร้านก็คือความเกลียดคร้านกิริยาที่เกลียดคร้านความเป็นผู้มีใจเกลียดคร้านความเกลียดคร้านกิริยาที่เกลียดคร้านความเป็นผู้เกลียดคร้านเนี่ยนะเพราะฉะนั้นพึงปราบความเกลียดคร้านนี้ด้วย เชื่อว่าความย่อท้อก็คือความที่จิตเนี่ยเป็นไข้ความที่จิตเนี่ยไม่ควรแก่การงานกิริยาที่หดหูกิริยาที่ย่นย่อความย่อท้อกิริยาที่ย่อท้อความที่จิตย่อหย่อนความหดหูกิริยาที่หดหูความที่จิตหดหูนี่ะสรุปว่านรชนพึงปราบความหลับความเกียดคร้านความย่อท้อความว่านรชนพึงปราบปราม ครอบงมกดขี่กำจัดซึ่งความหลับความเกียดคร้านความย่อท้ อ, อนะคำว่าไม่พึงอยู่ด้วยความประมาทคำว่าประมาทก็คือความปล่อยเนี่ยนะหรือความเพิ่มเติมซึ่งความปล่อยจิตในกามคุณแลก็ปล่อยจิตให้ไปในรูปเสียงกลิ่นรสเพลพะเนี่ยนะเพลินเ น, น่นะสมนวนว่าดูทีวีก็เพลินยาวไปเลยลักษณะในเรืองประมาท หรือว่ากายทุจริตทาชั่วทางกายทาชั่วทางวาจาคิดชั่วทางใจเนี่ยนะหรือการไม่ทำเอื้อเฟื้อไม่ทำความติดต่อหรือการทำหยุดหยุดการประพฤติย่อหย่อนความปรงฉันทะทอดทุระไม่ส่องเสพความไม่เจริญไม่ทำให้มากความไม่ตั้งใจและไม่หมั่นประกอบในการเจริญกุศลธรรมทั้งหลายฝ่ายกุศลเนี่ยนะชื่อว่าประมาทสรุปความประมาทแบ่งออกเป็นชุดเนี่ยนะก็คือหนึ่งปล่อยจิตในกาม สองทำชั่วด้วยกายวาจาใจาสมไม่ตั้งใจทํากุศลเนี่ยนะทำกุศลก็สักแต่ว่าทำนี่เรียกว่าประมาทความประมาทกิริยาที่ประมาทความเป็นผู้ประมาทเห็นต <Velvet> านี้เรียกว่าความประมาทคําว่าไม่พึงอยู่ด้วยความประมาทก็คือไม่พึงร่วมนะนะไม่พึงร่วมไม่พึงอยู่อาศาัยไม่พึงอยู่ด้วยความประมาทคือพึงละบันเทาทําให้สิ้นไปให้ถึงความไม่มีซึ่งความประมาท พึงเป็นผู้งดงดเว้นเว้นขาดออกสลัดออกพ้นขาดไม่เกี่ยวข้องความประมาทพึงเป็นผู้มีจิตปราศจากเดนกิเลสอยู่ชื่อว่าไม่พึงอยู่ด้วยความประมาทก็ไม่ต้องอยู่ด้วยความประมาทคือไม่ต้องปล่อยจิตไปในกามอย่าปล่อยไปใจไปในความชั่วทั้งกายวาจาใจาแล้วก็ถ้าทำกุศลก็ทำให้มันต่อเนื่องอย่าไปทาแบบหยุดหยุดเนี่ยนะ ต่อไปว่าเชื่อว่าความดูหมินเนี่ยนะคือในคําว่าไม่พึงตั้งอยู่ในความดูหมิน่นคําว่าดูหมิ่นก็คือบุคคลบางคนในโลกนี้ดูหมิ่นผู้อื่นโดยชาติบ้างดูหมินโดยโคตรดูหมิ่นโดยตระกูลเนี่ยนะดูหมิ่นโดยผิวพันธุ์รูปร่างนะนะก็หรือว่าวัตถุอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นที่ตั้งแห่งความดูหมินการดูหมิ่นก็จริงๆก็คือมานะนะ ตัวเองเนี่ยถือตัวกิริยาที่ถือตัวความเป็นผู้ถือตัวความกำเริบความฟูขึ้นความถือตัวดังว่าธงชัยความประคองจิตไว้ความที่จิตเนี่ยเป็นใข่ดังว่าธงยอดเห็นป่านนั้นเรียกว่าความดูหมิ่นก็คือมีมานะก็ทําให้ดูหมิ่นดูแคลนเหยียดยามผู้อื่นคำว่าไม่พึงตั้งอยู่ในความดูหมิ่นความว่าไม่พึงตั้งอยู่ดารงอยู่ในความดูหมิ่น คือพึงละบันเทาทําให้สิ้นไปให้ถึงความไม่มีซึ่งความดูมิน่นพึงเป็นผู้งดงดเวน้นเว้นขาดออกสลัดออกพ้นขาดไม่เกี่ยวข้องความดูมินพึงเป็นผู้มีจิตปราศจากเดนกิเลตอยู่เพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าไม่พึงตั้งอยู่ในความดูมินนั่นนแล้วก็พวกนี้ก็คือเน้นในการละบาปละอกุศลเนี่ยนะที่ว่าพึงปราบความหลับ ปราบความเกียจคร้านปราบความย่อท้อไม่พึงตั้งอยู่ด้วยความประมาทไม่พึงตั้งอยู่ในความดูหมิน่นเสร็จแล้วเอาแล้วทำอะไรล่ะันนี้ถ้าไม่ทำอย่างที่ว่าเนี่ยนะพระองค์ก็บอกว่านรชนพึงเป็นผู้มีจิตน้อมไปในนิพพานให้มีจิตน้อมไปในนิพพานความว่า นรชนบางคนในโลกนี้ให้ทานสมาทานศีลรักษาอุโบสถกรรมเข้าไปตั้งไว้ซึ่งน้ําดื่มน้ําใช้การกวาดบริเวณการไหว้พระเจดีการบูชาด้วยเครื่องหอมดอกไม้ที่พระเจดีกระทําประทักศิณบําเพ็ญกุศลที่ควรบําเพ็ญอย่างใดอย่างหนึ่งอันเป็นไปในไตรธ า, าตุเห็นไหมก็คือทั้งที่เป็นการ ม, มาวาจรกุศลรูปารูปาวาจรกุศลเนี่ยนะก็ไม่บําเพ็ญเพราะเหตุแห่งคตนินะไม่ได้บําเพ็ญเพราะเพื่อจะไปเนี่ยนะ ไม่บำเพ็ญเพราะเหตุแห่งอุบัติไม่บําเพ็ญเพราะเหตุแห่งปฏิสนธิไม่ได้บําเพ็ญเพราะเหตุแห่งพบไม่ได้บําเพ็ญเพราะเหตุแห่งสงสารไม่บําเพ็ญเพราะเหตุแห่งวัตตะคือไม่ต้องการวัตตะเนี่ยนะแต่ว่าเป็นผู้มีความประสงค์ในการพรากออกจากทุกขทํากุศลอย่างที่กล่าวนั่นแหละแต่ว่าจุดหมายคือพากออกจากทุกขมีใจเนี่ยน้อ ม, นอมโน้มโอนไปในนิพพานย่อมบําเพ็ญกุศลธรรมทั้งปวง นะกุสนใดที่ทําได้ก็ทำไปทําแล้วก็มีจิตมุ่งไปสู่นิพพานอย่างเดียวเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่านรชนพึงเป็นผู้มีใจน้อมไปในนิพพานอันหนึ่งนรชนพึงบังคับจิตให้หันกล้าให้หันกลับจากสังขารธาตุอันเป็นไปในไตรภูมิทั้งปวงแล้วก็น้อมจิตไปในอ ม, มะตะนิพพานธาตุบังคับจิตเลยนะเบียดจิตบอกว่ายามไปในภูมสามนะนะไม่ต้องการสังขารทุกชนิดนี่นะ แต่ว่าน้อมใจไปในอสังขตะธาตุคือนิพานว่าธรรมชาติใบคือความสงบแห่งสังขารทั้งปวงความสละคืนแห่งอุปธิทั้งปวงความสิ้นตันหาความสํารอกตันหาความดับตันหาความออกไปจากตันหาเครื่องร้อยรัตธรรมชาตินี้สงบนิประณีตเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่ามีใจน้อมไปในนิพานคือเมื่อเจริญวิปัสสนาโดยเฉพาะวิปัสสนาระดับสูงเนี่ยนะจิตเนี่ยต้องถอยกลับงอกลับจาก สังขาราธาตุเหล่านี้น้อมไปสู่อมตะธาตุสมจริงดังพระพุทธภาสิตที่ตรัสไว้ว่าบัณฑิตทั้งหลายย่อมไม่ให้ทานเพราะเหตุแห่งความสุขอันก่อให้เกิดอุปธิแต่บัณฑิตทั้งหลายเหล่านั้นย่อมให้ทานเพื่อความหมดสิ้นอุปธิเพื่อนิพานอันไม่มีพบต่อไปโดยส่วนเดียวบัณฑิตทั้งหลายย่อมไม่เจริญฌานเพราะเหตุแห่งสุขอันให อันก่อให้เกิดอุปธิเพื่อพบต่อไปแต่บัณฑิตเหล่านั้นย่อมเจริญฌานเพื่อความหมดสิ้นอุปธิเพื่อนิพานอันไม่มีพบต่อไปโดยส่วนเดียวบัณฑิตเหล่านั้นมุ่งนิพานมีจิตเอ็นไปในนิพานมีน้อมจิตไปในนิพานย่อมให้ทานเพราะไม่ว่าจะเป็นให้ทานรักษาศีลอ บ, บรมสมถะทั้งหลายเนี่ยนะก็มีจิตน้อมไปในนิพาน บัณฑิตเหล่านั้นเป็นผู้มีนิพพานเป็นเบื้องหน้าเหมือนแม่น้ําทั้งหลายไหลไปสู่ทะเลฉะนั้นนั้นตรงนี้เนี่ยไม่ได้ห้ามปรารถนานิพพานแต่ว่าสั่งว่าแนะนําว่าพึงเป็นผู้มีใจน้อมไปในนิพพานพันถ้ายังไม่บรรลุนิพพานจริงก็เจริญกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ว่าจะเป็นทานสมาทานศีลอุโบสถหรือว่าทําบุญประเภทตั้งน้ําดื่มน้ําใช้ปัดกวาดบริเวณ นะหรือบูชาพระเจดีทำกระทักศินพระเจดีหรือกุศลอย่างใดก็ตามเนี่ยนะก็ตั้งความปรารถนาหรือตั้งความประสงค์ในการพรากออกจากทุกข์น้อมไปโอนไปในนิ้ผานอย่างเดียวอันนี้ถ้าเป็นเรีย ก, ยกว่าท อินทรีย์อย่างอ่อนเนี่ยนะแต่ถ้าอินทรีย์แกกล้าไปกว่า น, นั้นก็เจริญวิปัสนาเนี่ยบังคับจิตให้ถอยกลับจากรูปเสียงกลิน่นรสโพตพภะธรรมรมณ์ที่เป็นขันอายตนาธาตุเนี่ยน้อมจิตไปในอมะตะนิพานอย่างเดียวอันนี้ถ้าเป็นจิตระดับสูงนเนี่ยนะเพราะอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าเพิงเป็นผู้มีใจน้อมไปในนิพาน ผู้ที่มีตั้งจิตน้อมใจไปในนิพพานอย่างนี้ก็พึงปราบความหลับความเกียดคร้านความย่อท้อไม่พึงอยู่ด้วยความประมาทไม่พึงตั้งอยู่ในความดูหมิ่นเมื่อมีคุณธรรมแบบนี้แล้วก็น้อมใจไปในนิพพานคาถาต่อไปว่านรชนพึงออกจากความพูดเท็จไม่พึงทําความสเสน่หาในรูปพึงกําหนดรู้มานะพึงประพฤติเว้นจากความพลุ้นผัน ก็คาว่ามูสาวาทเนี่ยนะความพูดเท็จที่เรียกว่าพึ่งออกจากความพูดเท็จพวกพูดเท็จก็คือเนี่ยเข้าไปสู่ที่ประชุมอยู่ในถ้มกลางญาติหรือว่าในถ้มกลางข้าราชาการหรืออยู่ในอยู่ในราชาสกุลเนี่ยถูกเขานำไปถามเป็นพยานว่าบุรุษผู้เจริญมาเถิดท่านรู้สิ่งใดก็จงบอกสิ่งนั้นบุคคลนั้นไม่รู้ก็บอกว่ารู้เมื่อรู้ก็บอกว่าไม่รู้เมื่อเห็นก็บอกว่า เมื่อไม่เห็นก็บอกว่าเห็นเมื่อเห็นก็บอกว่าไม่เห็นเป็นผู้กล่าวคําเท็จทั้งที่รู้เพราะเหตุแห่งตนเพราะเหตุแห่งผู้อื่นหรือเพราะเห็นแก่อมิตรเล็กน้อยนี่เรียกว่าผู้เท็จนะบางทีก็พูดเท็จเพราะอนนะไรหาเรื่องค้ำค้ำสนุกสนานเพลิดเพลินไปนะอันนี้ก็เรียกว่ามุสาเหมือนกัน มุสาวาตนี่มีด้วยอาการสก็คือก่อนจะพูดก็รู้ว่ามันไม่จร네ิงอ well, ่ะกำลังพูดก mm ็ร hmm. mm. mm ู hmm. ้ว่าไม่จริงพูดเสร็จก็รู้ว่ามันไม่จริงเนี่ยมุสาวาตโดยอาการสโดยอาการ4ี่โดยอาการห้าเป็นต้นก็คืออําพรางความเห็นความอําพรางทิฏฐิเป็นต้นเนี่ยนะคำว่านรชนพึงออกจากความพูดเท็จความว่าไม่พึงดําเนินไม่พึงประกอบไม่พึงนําเข้าไปด้วยความพูดเท็จพึงละบันเทาทําให้สิ้นไปเนี่ยนะ ให้ถึงความไม่มีซึ่งความพูดเทจพึงเป็นผู้งดเว้นเว้นเฉพาะออกสลัดออกพ้นขาดไม่เกี่ยวข้องความพูดเทจพึงเป็นผู้มีจิตปราศจากแดนกิเลสอยู่เรียกว่านรชนพึงออกจากความพูดเทศนี่นะคำว่าไม่พึงทำความเสน e h าในรูปนี่ะก็คำว่ารูปก็คือมหาภูตรูปสี่และรูปที่อาศัย มหาภูตรูปสี่เพราะนั้นคําว่าไม่ทําความเสน่หาในรูปก็คือไม่ควรทําความเสน่หาไม่ควรทําความพอใจไม่ควรทําความรักไม่ควรทําความกําหนัดในรูปคําว่าเสน่หาก็คือยางเหนียวนะมันจะไปแปะติดกับรูปทั้งหลายเหล่านั้นนะไม่ใช่คือไม่ให้เกิดไม่ให้เกิดพร้อมไม่ให้บังเกิดไม่ให้บังเกิดเฉพาะฉะนั้นจึงชื่อว่าไม่พึงทําความเสน่หาในรูปเนี่ยนะก็พึงกําหนดรูปมานะ สนะรุปว่าอย่ามู่สาวาดแนั้นอย่าทำความสเสนหาในรูปให้กำหนดรูปมานะ